ธรรมบทแปลเรื่องพระภาคิเนยสังรักกิตเทระภาคที่สองเรื่องที่27พระศาสด า, าเมื่อประทับอยู่นพระเชตวันทรงปรารพระภิกษุชื่อว่าสังครักิตตตรัสพระธรรมเทศนานิว่าทูรังขัง เอกจรังอสรีรังูหุหาสยังเยจิตังสัญญะเมตสันติโมคขันติมาราพันธนาแปลว่าชนเหล่าใดจะสมรวมจิตอันไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีระมีท่าเป็นที่อาศัยชนเหล่านั้น จะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมานดังได้สดับมากุลบุตรผู้หนึ่งในกรุงสาวัตถีได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระาศาสดาแล้วออกบวชได้อุปสมบทแล้วมีนามว่าสังฆรักขิตเตระโดยสอถึงสาวันเท่านั้นก็บรรลุพระราตผล น้องชายของท่านได้บุตรแล้วก็ได้ตั้งชื่อของพระเถระแก่บุตรนั้นเขามีนามว่าพาคิเนยะสังฆรักษิตตะตารกนั้นเจริญวัแล้วได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระเถระเข้าไปจำพรรษาในวัดใกล้บ้านแห่งใดแห่งหนึ่ง ได้ผ้าจำนำพรรษาสองผืนคือยาวเจ็ดซอกผืนหนึ่งยาวปดอกผืนหนึ่งได้ตั้งใจไว้ว่าผ้าผืนยาวแปดซอกจะเป็นของพระอุปชาของเราผ้าผืนยาวเจ็ดซอกจะเป็นของเราเมื่อออกปรรษาแล้วประสงค์ว่าจะไปเยี่ยมพระอุปชา เดินมาพลางเที่ยวบินบาบระหว่างทางก้นมาถึงแล้วเมื่อพระเทระยังไม่กลับมาสู่วิหารนั่นแหลเข้าไปสู่วิหารแล้วปัดกวาดที่สำหรับพักกลางวันของพระเทระจัดตั้งน้ำล้างตทาไว้ปูอาสนะแล้วนั่งแลรดูหนทางเป็นที่มาของพระเทระอยู่ ขันซาบความที่พระเตระมาถึงแล้วกระทำการต้อนรับรับบาทจีวอรอาราธนาพระเตระให้นั่งด้วยกับว่าขอท่านเชิญนั่งเถิดกรับเขาถือพัดก้านตาลพัดพระอุปชาแล้วถวายน้ำดื่มล้างเท้าทั้งสองแล้วนำผ้าสาดกนั้นมาวางไว้ นะที่ใกล้เท้าเรียนว่าท่านกอรับขอท่านจงใช้สอยผ้าสาดกผืนนี้หลังนี้แล้วก็ได้ยืนพัดพระเถระอยู่ลําดับนั้นพระเถระกล่าวกับเธอว่าสังฆาร ก, กิตะทีวอนของฉันบริบูรณ์เธอนั่นแหละจงใช้สอยเถิดพระสังฆาร ก, กิตะท่านกอรับผ้าสาดกนี้ กระผมกำหนดไว้เพื่อท่านทีเดียวจําเดิมแต่เวลาที่กระผมได้แล้วขอท่านจงทาการใช้สอยเถิดประเถระอย่าเลยสังรั ก, กิตะจีวรของฉันบริบูรณ์เธอนั่นแหละจงใช้สอยเถิดสังกรกกิตะท่านขอรับขอท่านอย่าทำอย่างนั้นเลยเพราะเมื่อท่านใช้สอยผ้าสารดกนนี้ผลมากจะมีแก่กระผม แล้วบบนั้นเมื่อพระสังฆร ก, กิจนั้นแม้กล่าววิงบอลแล้วแล้วเล่าๆพระเทระก็ไม่ปรารถนาผ้าสาดกปืนนั้นสังฆร ก, กิจตะยืนพัดพระเทระพลางคิดอย่างนี้ว่าก็ในเวลาเป็นเครือขัดเราเป็นหลานของพระเทระในเวลาบวชแล้วเราก็เป็นสัตว์ทวิหาริกของท่าน แม้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระอุปชาก็ไม่ประสงค์ทำการใช้สอยร่วมกับเราเมื่อพระอุปชานี้ไม่ทำการร่วมใช้สอยกับเราเราจะต้องการอะไราด้วยความเป็นสมณนะเราจะเป็นกุหัต ด, ดีกว่าขณะนั้นเธอจึงได้มีความคิดว่าก็การกรองเรือนตั้งตัวได้ยากเราเป็นกุลหัต จะทำอะไรหนอแลเล้งชีวิตถ้าเราจะขายผ้าสาดกผืนยาวแปดสอกนี้ซื้อแม่แพะตัวหนึ่งธรรมดาแม่แพะย่อมออกลูกเร็วเรานั้นจะขายลูกแพะตัวที่ออกมาแล้วทำเป็นต้นทุนครั้นรวมต้นทุนได้มากแล้วจะนาหญิงคนหนึ่งมาเป็นภรยานางจะคลอดบุตรคนหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้น เราจะตั้งชื่อหลวงลุงของเรานั่นแหละแก่บุตรนั้นแล้วให้นั่งในยานน้อยพาบุตรและภริยาของเรามาไหว้หลวงลุงเมื่อเดินมาจะพูดกับภริยาของเราในระหว่างทางว่าหล่อนจงส่งบุตรมาแก่เราก่อนเราจะอุ้มลูกไปหล่อนก็จะพูดว่าเธอจะต้องการอะไรด้วยบุตรเธอจงมา จงขับยานน้อยนี้ไปแล้วเธอก็อุ้มเอาบุตรไปตั้งใจว่าจะนําไปเองแต่เมื่อไม่อาจอุ้มไปได้จะทําตกที่รอยล้อเมื่อเป็นเช่นนั้นล้อจะทับสรีระของบุตรนั้นเราก็จะกล่าวกับหล่อนว่าหล่อนไม่ได้ให้บุตรแก่ฉันเองหล่อนไม่สามารถอุ้มบุตรนั้นไปได้บุตรนั้น ย่อมเป็นผู้อันเจ้าทำให้หายนะสิแล้วเราจะเอาด้ามประตักตีหลังภรยาก็ดนเมื่อพระหลานชายนั้นคิดอยู่อย่างนั้นพรางยืนพัดพระเทระอยู่นั่นเดียวเอาพัดก้านตาลตีศีรษะของพระเทระแล้วพระเทระเกรกลุวอยู่ว่าเพราะเหตุไรเ น, นาอแล เราจึงถูกสังฆรักกิตตตีที่ศีรษะเมื่อทราบเรื่องที่พระหลานชายนั้นกิดแล้วกิดแล้วทั้งหมดจึงพูดว่าสังฆรักกิตะเธอตีไม่ถูกผู้หญิงนะในเรื่องนี้พระเถระผู้แก่มีโทษอะไรเล่าสังฆรักกิตะจึงคิดว่าตายจริงเราหายนะแล้วในยะว่าพระอุปชา รู้เรื่องที่เราคิดแล้วคิดแล้วเราจะต้องการอะไรด้วยความเป็นสมณนะในนี้แล้วจึงทิ้งพัดก้านตาลแล้วหนีไปลํา ด, ดับนั้นภิกษุหนุ่มและสามเณรทั้งหลายไล่ตามจับสังฆรักกิตะพามายังสำนักพระศ า, ศาสดาพระศ า, ศาสดาทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอมาทำไมากันพวกเธอได้ภิกษุรูปหนึ่งนี้มาหรือผู้ภิกษุทูลว่าอย่างนั้นพระโชก้าพวกข้าโปรงพาภิกษุหนุ่มรูปนี้ซึ่งกระสัอยากจะศึกจึงหลบหนีไปพาเธอมาอย่างสำนักของโปรงพระชก้าภิกษุได้ยินว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นหรือพระสังกะรักกิตตทูลว่าอย่างนั้นพระโชก้าพระศาสดาภิกษุ เธอทำกรรมหนักอย่างนั้นเพื่ออะไรเธอเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งผู้ปรารบความเพียรบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้เช่นเรามีใช่หรือไม่อยากให้เขาเรียกตนว่าโสดาบันสกาดทาคามีอนาคามีหรืออรหันได้ทำกรรมหนักอย่างนี้เพื่ออะไรพระสังฆรากิตะ ข้าพระองค์กระสันอยากจะศึกพระชจกาข้าข้อนั้นพระเหตุไรเธอจึงกระสันพระสังฆารักกิจนั้นราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดแก่พระสัส ด, สดาจำเดิมแต่วันที่ตนได้พาจ้ำนาปัญสาจนถึงวันเอาพัดก้านตาลตีพระเถระแล้วราบทูลว่าพระเหตุนี้ข้าพระองค์จึงคิดหลบหนีไปพระชจาข้า ในแบบนั้นพระาศาสดาตรัส ก, กับเธอว่ามาเถิดภิกษุเธออย่าคิดไปเลยธรรมดาจิตนี่มีหน้าที่รับอารมณ์แม้มีอยู่ในที่ไกลควรที่ภิกษุจะพยายามเพื่อประโยชน์แก่การพ้นจากเครื่องผูก ค, คือราคะโทสะโมหะอังนี้แล้วได้ตรัสพระคถานี้ว่า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 มาราพันธนาในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าถูรังกัมังแปลว่าอันไปได้ไกลพึงทราบบนิชัยดังต่อไปนี้ก็ชื่อว่าการไปการมาของจิตโดยส่วนแห่งทิศมีทิศบุรพาเป็นต้นแม้ชั่วลิงหลับย่อมไม่มีจิตนั้นย่อมรับอารมณ์แม้มีอยู่ในที่ไกล ปราะเหตุนั้นถึงชื่อว่าอันไปในที่ไกลอันหนึ่งจิตเจ็ดถึงแปดดวงชื่อว่าสามารถเกิดขึ้นเนื่องเป็นช่อด้วยความรวมกันในขณะเดียวย่อมไม่มีในการเป็นที่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นทีละดวงละดวงเมื่อจิตดวงนั้นดับแล้วจิตดวงใหม่ก็เกิดขึ้น ทีละดวงอีกเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเอกจรังคือเที่ยวไปดวงเดียวสรีระสันตานก็ดีประเภทแห่งสีมีสีเขียวเป็นต้นก็ดีของจิตย่อมไม่มีเปรดนั้นจึงชื่อว่าอสสรัรงคือไม่มีสรีระทั้มคือมหาปูตะทั้งสีคือธาตุทั้งสี่ ชื่อว่ากูหาก็จิตนี้อาศัยหดายรูปเป็นประยูประเหต์ น, นั้นจึงชื่อว่ากูหาสายังคือมีถ้ำเป็นที่อาศัยคำว่าเยจิตตังแปลว่าชนเหล่าใดจะสารวมจิตหมายความว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งคือเป็นบุรุษหรือสตรีเป็นเครือันหรือบัณพปชิต เมื่อไม่ให้เพื่ออันเกิดขึ้นแห่งกิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นและกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วเพราะความฟั่นเฟือนแห่งสติชื่อว่าจะสำรวมจิตคือจะทำจิตให้สงบได้แก่ไม่ให้ฟุง้งซ่านชื่อว่าโมกขันติมารัพพันธนาหมายความว่ า, วาจะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารคือชนเหล่านั้นทั้งหมด ชื่อว่าพลจากวัตตะอันเป็นไปในภูมิสามอันนับว่าเป็นเครื่องผูกแห่งมนันเพราะไม่มีเครื่องผูกคือกิเลสในการจบเทศนาพระภากิเนยะสังฆ ร, รักกิตตระบรรลุโซดาปฏิผลแล้วจนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมากได้เป็นอริยบุคคลมีพระโซดาบันเป็นต้นแล้ว เทศนาได้สำเร็จประโยชน์แก่มหาชนแหลเรื่องพระพากิเนยยะสังรักกิตะเตระ